กรหมดรู้หนอทรู้หนอรู้อดีตเมื่อข้าเดช่ผ่านมาก็หมดรู้ทามันหมดไปแล้วก็ต้องการหมดรู้เพื่อความไม่ประมาทไอสติครบวงจรมันจะบอกเขาเองว่าที่ท่านจะต้องถูกละชนคอหักไอรู้ตัวนี้คือรู้ค่าดี แต่วิธีปฏิบัติแท่งเอาปัจจุบันตอนนี้ย้อนอดีตกันละต้องย้อนอดีตรู้หนอรู้หนออ๋อรู้แล้ว ต, ตอนอยู่มันยอมสาไปหักคอนบบอกเป็นเป๊เป็นช่องช่องไปเลยชอบอกเป็นช่องทำต้อง ต, ตายแน่นอนสติจะมาบอกเลย ว, ว่าที่ยังสี่สิบห้าตตุลาสองพันท่านไม่ฟุ องตายตามสัญญาเขาไมารู้ไม่เชียงเรื่องเลื่องเลี้ว ง, งหลายแต่เราเลยกันไปเลยหญ้าป่าครอบพิงที่กมุนเพราะฉะนั้นขอแนะแนวทางท่านทั้งหลายจะว่ายากาก็ไม่ใช่จะว่าง่ายก็ไม่ใช่แต่เราทําได้ทําได้แล้วมันง่ายย้ายอัตมาเนี่ยพูดก็อัตมามาเป็นเด็กย้ายบอกยาติแท้ หลานยากมากย้ายไม่ขึ้พูดเรื่อยๆจะทำอะไรไม่ได้หลานยากแท้ย้ายไม่ถึงฝึกเข้าไปหลานเพราะฝึกเข้าไปง่ายแท้เพราะเคยแล้วถ้าเคยเลี้ยงง่ายถ้าไม่เคยยากแท้ทเช่นอยูยกัน เนีท่านทั้งหลายจะทำครบวงจรของมันท่านสบายมากเพราะเห็นหนอไม่ต้องกำหนดสัมผัสจิตมันจะบอกทันทีคนนี้ใช้ไม่ได้คนนี้หัวไม่มีมันจะบอกทันทีไม่ต้องไปบอกเห็นหนอเห็นหนอแต่เห็นหนอเนี่ยมันไปแบบฝึกฝึกให้จิตเข้าที่สาหรับสติเช่นยืนหนอห้าครั้งต้องการให้จิตกับสะติมันอยู่ด้วยกัน เคล็ดลับมียาหนึ่งท่านรัฐมนตีจะมาจิตมันออกมากๆไม่เป็นสมาธิเรื่องเล็กเอาสติตามจะให้จิตมันอยู่ที่มันไม่ได้หรอกเป็นธรรมชาติสติตามไปดูเลยว่าคิดนั่นอ่ะถูกหรือผิดท่านั้นเองเราหน้าปับจะให้ดิงพระสุธาเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอก แต่แล้วทำบ่อยๆครับเหมือนไก่ที่จะจับไก่ป่ามาขังสุมไว้มันก็ต้องวนนาข้าวมันก็ต้องเชือกเคยแล้วลานเอ้ยยากแท้ยายไม่เคยง่ายแท้เพราะเราเคยแล้วไก่มาเลี้ยงงานข้าก็เชือกเคยแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วเท่านี้เอง ถึงน่ยบอกว่าวิธีแก้จิตมันตกหรือผ่านไปไปครั้งอดีตต้องให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอจะได้ไม่ประมาไม่ประมาไม่พลาอีกต่อไปเท่านั้นแต่เรารู้อะไรไม่ได้เนี่ยเรากำหนดวิธีแก้ปัญหาชัดเจนเลย เนี่ยวิธีนี้แก้ปัญหาได้ชัดเจนมากไม่ใช่ว่าไปแก้ปัญหาด้วยการไปหาผีข้าวเจาทรงมาดูไม่ใช่เลยเราต้องแก่เองเราเป็นคนถูกเราต้องแก่เราเป็นคนทําต้องแก่เองโดยเขาคุณอื่นแก้ได้งไงแก้ไม่ได้เราจะรู้เองเลยเนี่ยเป็นกฎแห่งกรรม ยืนหน่อห้าครั้งเนี่ยทําให้มันได้พอมันได้แล้วสติดีครบอย่างอื่นง่ายมากถึงต้องยืนหน่อห้าครั้งเนี่ยได้จะข้นแก่นเลยเนี่แตาจา่จำบรรยากาศกรรมฐานกรรมาฐานกรรมฐานปเรวกเกสารูมานณขาทัานตาตาโจตาโจทันตาณขาลูมาเกศาทัานรัตมวณีจำได้ไหมสมถะก็ต้องไปลงกรรมาฐาน วิปัสนาก็ต้องไปลงกรรมฐานกรรมฐานมาจากไหนก็มาจากตาจาพรพยาการกรรมฐานเนีย่ยจำไว้เลยนะเคราสารโลมานะขาอยู่ตรงนี้แล้วบวชทุกองค์นะก็ต้องได้จากอุปชาไปแล้วนี่เรียกวกรรมฐานแต่แยกเป็นสติปัฏฐานสี่แยกเป็นสมถะแยกเป็นวิปัสสนาแต่ก็ต้องไปลงกรรมฐานต้องมีตาจาพรพยาการกรรมฐานทุก เรื่องงานของชีวิตจิตชัดเจน <c oughs> อย่างนั้นไม่งั้นเราจะทำอะไรไม่ถูกต้องไมนงั้นสลังจะยอมรับแล้วเหรอนี่ฝังยอมรับแล้ววันนี้ก็ด็ตร์พินิษ์โทรมาบอกว่าชาดาจารย์ที่มาถามปัญหาบอกตอนนี้ไปฮือหาอเมริกาบอกว่ากับวันไม่จะอยู่ในแผนที่ประเทศไทยแล้ว อยู่แผนที่โลกพรังยอมรับ๋ยวพลัล่งสวดภาวนงแล้วแล้วยอมรับอีกสองข้อจากคนเครียดกัะโลกประชาทพรังเขาบอกนั่งสมาธิไม่ได้แต่พระที่ส่งไปเมืองไทยบอกนั่งได้ฝรังไม่เชื่อคนที่เครียดกับโลกประชาทนั่งไม่ได้เลยลือดลมไม่ดีนั่งไม่ได้ ต้องให้หายก่อนถึงจะไปนั่งได้แล้วเวลที่ศูนย์เราโปรดทําความเข้าใจถ้าใครไปโรคกระสับมาลุเคียดอย่านั่งถ้านั่งเดี๋ยวเสียสมรรพหมดที่นี่เป็นปตุวอยา่างเดี๋ยวร้องรำทําเพลงกันแล้วคนที่ตั้งคร้นมาอย่างมันพองอยุบไม่ออกแล้วก็เดินเท้าไม่เห็นล้มไปแทงที่นี่เป็นปตุกอยา่างอย่าให้นั่งให้ไปออกรู้ก่อน หรือเขาฝึกไว้ก่อนต้องเอาไ ป, ปหลักปฏิบัติด้วยนะงนนั้ไม่ได้ <c oughs> อายืนหนอห้าครั้งเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นหัวใจของการปฏิบัติเรียวกว่กากรรมาฐานแล้วเสียงหนอเห็นหนอกลิ่นหนอรดหนอสัมผัส อายนาธาดินรีหรืฤทรวันหกจะง่ายขึ้นพอเรายืนหนอห้าครั้งได้ครบวงจรเนะี่ยได้อัตโนมัติว่เห็นปั๊บมันจะอัตโนมัติมาบอกได้จากยืนหนอห้าครั้งแต่เราไม่ยืนหนอห้าครั้งแล้วเห็นหนอจะไม่ได้ผลเลยจะไม่ได้ผลเสียงหนอแต่เรายืนหนอห้าครั้งได้สติกับจิตมันอยู่ด้วยกัน มั้นสติก็เจ็กอยู่ด้วยกันมาได้เราเย็นเสียงปัาบบอกทันทีไม่ต้องเําามาว่าเสียงหรอคนนี้พูดไม่จริงดับไปเลยเขาบอกพูดไม่จริงค่ะสติแล้วมันบอกบอกว่าคนนี้พูดก็หกเสียงเนี่ยมันจะดับไปหาเขามันจะไม่บันทึกหลักถามไว้ในจิตใจของเราชัดเจนมากอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเสียงหนอเสียงหนอ ฟังไม่ชัดแล้วเอาหูออกไปข้างนอกเนาแล้วก็หูข้างนอกฟังไม่ชัดโนดออกไปหน่นเอเชียเนอะคงไม่ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้ถ้ายืนหนอห้าครั้งไม่ได้ทาไม่ได้เสียงหนอขี่ร้อยกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลแล้วไ <c oughs> อจิตพัดสอนเนี่ย เรามีมันตัแต่คลอดมาจากท้องของ้ามาัดาเนี่ยเขาเรียกจิตประพัดสอนสะอาดหมดจดแต่แล้วเรามาครุกฝุ่นในตอนโตเลยก็มีมัวหมองตลอดที่เรกมีตอนโตตอนเราเป็นเด็กเนี่ยคลอดมาจากท้องของ้ามารดาเนี่ยประพัดสอนสะอาดหมดจดจดิตบริสุทธิ์แต่แล้วโตขึ้นไปก็สะสมบันทึกเทพเข้ามาจึงไม่บริสุทธิ์ เราต้องฝึกกันใหม่ให้จิตประภาสสอนให้ได้แต่จิตไม่ประภาสสอนทําอะไรไม่ได้เลยนะไปทําตามอารมณ์ส่วนมากจะทําตามอารมณ์แล้วตลอดอารมณ์ไม่ดีก็ทําไปทั้งไม่ดีหมดท่านพุทมุนีจำไว้ถ้าอารมณ์ดีนะดีหมดขนเคล็นดีหมดเพลงเพราะหมดถ้าลมไม่ดีเพลงไม่เพราะเลยลองถึก อยากจะทุ่มนอนทุ่มเนี่ไอ้โมโหเนี่ยนะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเสียหมดทั้งบ้านเลยเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่ากโกรธค้างคืนโกรธเนี่ยมันช่วยใครไม่ได้เลยนะห้ามไม่ได้เลยเราเห็นใจความโกรธห้ามไม่ได้แน่นห้ามไม่ได้ มโมดกาที่จะดีได้จิตคิดจะไปห้ามมหรอมันจะไปไหนรู้ไหมแล้วบางทีเนี่ยพองหนอยุบหนอมาทีขวาย่างหนอเดินชักเพลินเลยจิตออกไปซะเยอะไม่รู้เลยเอาไปคิดเรื่องอะไรจะต้องนานยังไม่รู้อยู่เนี่ยยังเดินขวาย่งางใช่อย่างเดินด้วยความชนานาญเดินด้วยความนานทํานาญแท้ แต่จิตมันไม่อยู่ก็หลับเดินดูความชันนายก็คือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่แต่อีกจิตหนึ่งไม่อยู่ไปคิดอะไรต่อไอหลตลอดรายการใช่หรือไม่ใช่อย่างไรฮะนจึงต้องย้ำทำบ่อย ให้มีสติถ้าไม่ทําบ่อยๆไม่ได้ผมบางคนมานั่งกรรมาฐานเจ็ดวันกลับไปแล้วเลิกจิตเร้วกว่าเก่าเพราะมันไม่เข้าที่แต่ไปทําบ่อยๆเสมอต้นเสมอปลายจิตถึงจะอยู่ที่ไม่ใช่ของง่าย ไม่ใช่มานั่งกรรมฐานเจ็ดวันแล้วยเป็นโสดาเลยเนี่ยจบคอร์ดเลยเหรอมันไม่ใช่นังซื้อไม่ใช่เรียนจบร้อยสี่สิบหน่วยกิจจะได้เป็นปริญญาตรีเนี่ยแล้วก็เรี่องกรรมฐานมันสาเร็จตรงไหนล่ะอาจารย์กรสำเร็จตรงไหนเนี่ยเป็นโสดากันหมดแล้วเหรอมะ เป็นอะไรฮะบางคนเข้าพระสมมาบัตได้ห้าชั่วโมงพระสมมาบัตนี้มันจะเป็นพระสงนาเท่าไหร่เข้าใจั้มเนี่ยแต่แล้วศึกหาลาเพศไปไปเป็นโจรล่นเขาไม่ใช่นักชั่มิดได้พระสมาบัตห้าชั่วโมง แต่ทำไมจิตกลับไปทำไมจิตกลับแล้วผู้นี้มาหน้าปฏิบัติคิดว่าตัวเองได้แล้วโสดาแล้วยามที่พบขึ้นแล้วแล้วออกออกไปแล้วถือดีอวดดีว่าเราคือดีครับกลับเร็วกว่าเก่าความประมาทหรือความประมาท <c oughs> ชัดแจ้งชัดแจ้ง เพราะงั้นเราต้องอยู่กับสติตลอดในการอย่าประมาทไม่ได้แล้วเราจะรู้ยังไงเ่ยท้องหนอยุบหนอจิตออกตอนไหนจับได้ไหมจิตออกตอนท้องตอนยุกเวลากําหนดท้องหนอยุบหนอเนี่ยจิตมันออกไปตอนไหนไปคิดอะไรต่างๆเนี่ยรู้จับได้ไหม ถ้าเรามีสติละเอียดต้องจับได้ต้องจับได้เลยออกมาตางไหนจับยากมากรูไไ้ไหมใครตอบได้มั้ยเนี่ยจิตออกตองไหนไดีก่อนตอบไม่ใช่มันจะเพลินก่อน ของ น, อน่อยุกหนอเพลินไปเลยของ น, อน่อยุกหนอเพลินเพลินเพนวัดไปเลยแวบเดียวไปแล้วจับไม่ได้เลยมันแวบเดียวมันเผลอนดิดเดียวอย่างที่ตอบแต่เต้องเพลนก่อนมันหลอกเราให้เพลินพอเพลนแล้วแวบไปแล้วไปตอนไหนไม่ทราบไปตอนไหนไม่ทราบ เม้มาคีดออกไปคิดแล้วจะทํำยังไงกําหนดยังไงมันไปคิดไปต้งนานแล้วจะบอกคิดหนอมันก็ไม่ได้มันเป็นอดีตแล้วกำหนดว่าง่ายนั่งจำไว้รู้หนอรู้หนอสิบครั้งยี่สิบครั้งพอรู้พอสติดีปับมันจะเผอน้อยลงไปจาไว้มันจะเผอน้อยลงไปถึงหากวาจะจิตออกอีกจะจับได้แล้วครับ แต่ไม่ใช่มันนั่งจับมันนั่งดูท้องลองเนอะยกหนอจิตมึงออกไปแล้วยังหนอไม่ใช่อย่างนี้ไง <c oughs> มึงจะออกมึงบอกกูก่อนเนามันบอกเราอะไรอหร่ะมันมีตัวตนเหรอมันมีตัวตนเหรอมั้ <c oughs> บางทีเราพองเนอะยกเนอเคลินจิตไปคิด บ่าบอเค้ะแตะนาจิตยังมีล้อยีสเบกอารมณ์ล้อยีสบกกระแสแล้วมันคิดหลายอย่างได้อะใจหนึ่งไปคิดถึงแฟนอีจิตหนึ่งจะไปตายกับเขาอีจิตหนึ่งก็บอกอืมพวกนี้จะได้เงินหรือเปล่าอีจิตหนึ่งว่าอย่างไรกำลังท้องหนอยุ่งหนออีจิตหนึ่งบอกว่าซื้อหวยไว้มันจะออกหรือเปล่าหนอ คิดต้องหลายอย่างคิดอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่ามันออกไปยังไงคิดต้องหลายเรื่องวิธีปฏิบัติให้ใหายใจยาวๆแล้วกาหนดรู้หนอหายใจยาวๆไหมพองยุบหยุดไปก่อนหายใจยาวๆแล้วกาหนดรู้หนอรู้หนอหลายๆครั้งจนจิตเข้าสู่ที่และสติเข้าสู่จุ ของจิตแ่าสู่ผวังได้เราก็เงลดพ้องหน้อยยุบหนอต่อไปใหม่้าไมท่านนี้ไม่มีทางเข้าใจไหมจิตนี่ยแม้รักษายากเพื่อเกินไอ้บาเนี่ยมันก็หกได้เกินหัวยหลวงขาวได้จิตกูหกไม่ได้จิตกูหกไม่ได้ปากเนี่ยแก้ตัวได้แก้ตัวเก่งด้วยนะปากเนี่ยแก่ตัวดีเนะ แต่จิตแก้ตัวไม่ได้มันตายตัวเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราเนียว่าผู้มาปฏิบัติเนี่ยต้องดูตรงนี้ให้ด่ถ้าจิตฟุ้งฉาดมากจิตไม่อยู่ที่เลยแก่ยากหรือง่ายไม่ยากแบางคนนั่งเคลิน้นไม่ปวดเมื่อยเลยเนี่ยแมมสบายจริงๆนั่งแก้ยาก ไม่มีได้เกิดเลยไม่รู้ยาอะไมาสอบอะไรปวดยังไปวดเมื่อยหรอปวดทําไมฮะปวดหนอยิ่งกําหนดยิ่งปวดหนักทําไมยิ่งกําหนดยิ่งปวดหนักเพราะอะไร ไม่กำหนดท้าไม่ได้เหลยตอบไม่กําหนดข้าไม่ได้เหลยตอบเพราะอะไรไม่ใช่ต้องเรียนให้รู้ถ้าไม่รู้ไปอันนี้จ้างทุกขังเน่นตามมาอยากจับไปวิพัฒน า, าได้ไงจำไหมปวดหนอปวดหนอปวดหนอเรียนให้รู้ให้ได้แปลว่าศึกษา ต้องการศึกษาให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วแต่เด็ดขึ้งตั้งอยู่ดับไปายิ่งกําหนดปวดหนอไม่ยิ่งปวดหนักบางครั้งตูจะหลุดขอโทษก้นจะแตกเลยร้อนโอ้ยโอ้ยโอ้ตายให้มันตายปวดหนอปวดหนอไปตายมาตายโอ้ยจะตายแล้วเมัไหลายจะหมดเวลาสักทีเนอะ ปวดน้องปวดน้องอะไรจะหมดเวลาทะนทีน้อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตไม่ไปอุปาทานอึต่อไปไปนานิจางทุกขังหน้าตาเกยขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตก็ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นอุปาทานยึดมันจึงไม่ปวดแต่ที่แรกต้องปวดเนี่ยบางคนบอกหลวงพ่อฉ้นกลับแล้ว กำหนดยิ่งปวดหนักกำหนดยิ่งปวดหนักทนไม่ไหวแล้วกลับหมดเลยนี่แหละความดีเป็นศัตรูของชีวิตอย่างนี้นะนั่นแหละนี่แหละล้วกลับบ้านแล้วเลยบางคนได้ยานหอบเสือยานหอออกหน้าต่างก็มี หนีก็มีโอ้กราบเนี้ยมาทรมานทําไมไอ้มารร้ายคือตัวศัตรูความดีเป็นศัตรูของชีวิตของนอ้อยยุบหนอไอศัตรูมาแล้วศัตรูมาเนี้ยมากระซิบที่หูเนี้ยอยู่ที่บ้านสบายด็อกเตอร์ลำย้ายมาทําไมมานั่งทรมานทําไมนี่ศัตรูเปล่าฮน เราต้องฆ่าศัตรูให้ตายฆ่าศัตรูด้วยอะไรฆ่าศัตรูด้วยอะไรกะตีแรต้องอดทนต่อสู้กับศัตรูให้จุได้ไปนั่งทายอยู่มาข้างหน้ามาใหญ่จะถามมั่งไปหลบไปอยู่ มานมันตัวอุปสรรคถ้ากรรมฐานเนี่ยเราต่อสู้ฆ่ามารให้ตายมารไม่มีบารมีไม่เกิดกระเสริดไม่ได้มันต้องมีมารทุกคนนะพวกที่มาปฏิบนะัติเนี่ยพวกวิทยากรหรือพวกญาโยมบอกเขาหน่อยศัตรูเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเขาชิไม่ใช่ทำได้ดีได้ง่ายเ ทำดีแสนจะยากมาทำช่วงงานนี้เดียวทำช่วงไม่มีมาร์ลไม่มีใครมาขัดขวางทำดีมันต้องมีคนขัดขวางมีมารมาตลอดเหมือนแม่ค้าพ่ค้าขายดีขายดีขายดบขาย ด, าย ด, ายดีมีคนมาอิจฉาทันทีขาดผลประโยชน์กันเลยถ้ามีคนมานั่งเนี่ยเนี่ย ถ้าเกิดปวดมากเข้าใจผิดกันจำไว้เข้าใจว่ามานั่งสบายสบายแล้วยานขึ้นยานขึ้นตอนสบายก็ยานหลวงพ่อคูณใครอยากได้ยานหลวงพ่อคูณไปเลยวัดบรรลัยยานอะไรรู้ไหมท่านพระครูเนะยานหลวงพ่อคูณยานอะไรเนะ ญาณังของการกรรมฐานญาณังแปลว่ารู้ในส่วนลึกของปัญญารู้ในการรอบรู้ในกองการชั้งขันอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้ขาดทิฐิจะได้มีชอบจะได้ประกอบกุศนได้ผลนานเป็นหลักฐานนั่นเองบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเอ๊จะไปนั่งห้สบายสักห้า อ, อกวันพอมาบอกพ่อฉันอยู่สักเดือนนะเอาเลยให้สองเดือน สามวันไปเลยสามวันไปเลยแล้วไม่ลาด้วยสิจะมาต่อยานพระมาจากพิโลกบอกว่าทำกรรมฐานมาสิหกปีเลยยานไม่ขึ้นจะต่อยานทั่วรั น, นี้เอาเลยมาต่อยานอยู่กุศลกรรมฐ า, านเล็กเอาเลยจะต่อยานฮะจะเอายานตรงเต็นี่แหะเอายานไลนะสามวันเท่านัท่านห่อไปเลย ยังไม่ทันต่อยาเลยห่ออกหน้าต่างไปเลยบอกว่านี้ไม่ไหวบอกกับพระวันนี้ไม่ไห ว, กก ว, นนไไหวตื่นตีสี่แล้วก็นั่งปวดจะตายไปยานวัด น, นี้ทําไมปวดมากนะยานวันนี้ทําไมปวดยานเวรุวันไม่ไม่ปวดยานที่เวรุวันไม่ปวดใช่ไหมเนีย ยานที่เบลวันไม่ปวดปีสี่ออกทั้งหน้าต่างไปเลยแล้วลูกแแจไม่ได้เก็บไว้ให้จนบัตดีเหาะไปยังไม่ลงมาเลยได้ยานที่นี่ไปเหาะไปเลยนี่แล้วนั่งกรรมฐานอะไรวัดเป็นอย่างเข้าใจผิดคิดว่านั่งแล้วจะเห็นเทวดานั่งแล้วสบายจําไว้เลยนะ ท่านั่งสบายไม่ปวดไม่เมือ่อยไม่มีเวทนาจิตไม่ออกไม่มีกุศลอกุศลแสดงว่าชอบตกไม่มีผลงานจำไมมานั่งไปยังไงโย่ไปโอ้โหปวดกําหนดไม่หายอ่ะเอาละจะดีแล้วผลงานมาแล้วผลงานมาแล้วจำไหมตรงไอ้ข้ามกับที่เราคิดเดี๋ยวเราสมมตริปะ หลวงพ่อผมจะไม่มีบุญเนี่ยปวดฉังทําไมไม่ปมวดก็ไปเตะฟุตบอลมาหนูเตรียมน้ํามันมาให้แด้น้ำมันไปไหนไปเตะฟุตบอลมาไม่ปวดใช่ไหมล่ะ <c oughs> น้ำมันทาหายเนีย่ยไปเทานี้จะได้ทํานาเยอะไปนอย่าเอย่าไปทิ้งนะต้องทําทุกวันย่างตามย่างตามตามเลย้อ <c oughs> เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่ชั่วโมง ขอยืสิบสี่ชั่วโมงขอแค่สองชั่วโมงไม่ได้ขอให้ท่านทำติดต่อไปจะได้อะไรปลกแปลกแลวท่านจะรู้เหตุการ์ล่วงหน้าอย่างไรโดยปัจจตังไม่มีใครมาบอกเราเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเวงกรรไม่เท่ากันแล้วมีทุนเท่ากันมีมือสองเท่าสองมือมองหนึ่งเท่ากันแต่ใช้ทุนไม่เท่ากันเสียใจอยู่ ใช้ทุนไม่เป็นไงไปขาดทุนซะหน้าอย่างหนา้าชิดได้ใช้ทุนไม่เป็นไม่มีใครพูดเลยเหรอมีทุนเท่ากาันทำไมใช้ทุนไม่เป็นมีเท่าสองมือสองเท่าสองสมองหนึ่งเหมือนกันทำไมใช้ไม่เหมือนกันล่ะ อาจารย์รัติกรผ อ, อรัติกรไม่ต้องบีดแล้วไม่ปวดมากมายแล้วปวดมากเท่วเหลือตายให้มันตายไปสิถึงสามชั่วโมงเลวเรื่ ฝ่าไปด้วยนะถ้าหากว่ามีใครมานั่งๆนั่งมาได้โหปวดเมื่อยบอกตรงเป็นไงชิตออกไหมออกเยอะเลยปวดมากเหลือเกินชิดเลื่อมอีปาทะต้องคับไปเลยคนนี้ดีแน่คับไปเลยคัดไปเลยแล้วนั่งไปยังไงโอ้ยชันประครูธิรวัตรดิฉันมานั่งโอ้ดีมากไม่ปวดเลย แล้วไม่เคยคิดโอ้หกโอ้ห ก, หกต้องให้ห้าแสนเลยนะจำไหมโอ้นั่งดีไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วจิตก็ไม่คิดจิตไม่ออกไม่มีผลงานขืนนั่งไปไม่ได้ผลจำไหมโอ้เรามานั่งมาได้ผลครับแหมอาจารย์รัติกรเขานั่งดีเลยเขาไม่มีทุก เขไม่ปวดเมื่อยเลยเขานั่งเฉยไม่ปวดไม่เมื่อยและคิดไม่ออกเลยดีมากคนละเรื่องกันไม่ใช่เรียนหนังสือนั่งไม่มีผลงานเลยสอบตกถ้าบอลคิดมันไม่เปล่าไม่ได้คิดเลยโกหกจีเป็นธรรมชาติตรงคิดอ่านอารมณ์รับรู้เรืยนเวลานานเทพปเฉลี่ย จำมาเลยคิดนอนชิดดีมากมาวิธีแก้วิธีไขเอาสติตามไปดูเท่านี้เองจะให้จิตมันดิ่งอย่างนี้เป็นไปไม่ได้หรอกต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้ายืนหนอห้าครั้งได้นะทําได้พองยุก ง, ง่ายเดินจงกงรมคล่องแควไปหมดถ้ายืนหนอห้าครั้งไม่ได้สติก็จิตอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างชิษะ ล, ลงไปเท้าแต่ถ้าคุณชิษะ ระยายาวชั้นไม่เหมือนกันยาวชั้นตามตัวของคนที่กําหนดเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีเวรมีกรรมมาเหมือนกันเหรอต่างคนต้องทําเอาแต่ไปเอาสั้นยาวของเขามาวัดกรรมเราไม่ได้ไม่ได้เลยนะบางคนเนี่ยเลี้ยนเก่งสาป็นยาโทมยาเอกกินนิยมหมดแต่ทําไมต้องอมีดขีดตัวบันนี้ตายไปแล้วอายุสี่พัน พ่อเป็นแพทย์แม่เป็นแพทย์ศืริราชย้ายไปอยู่รัฐวิชิันรเราไปบรรยายที่ศิรลราชโทรมาจากอเมริกาให้ถามศาสตราจารย์ตอมจับถามถามล่กพ่อที่ลูกสาวเขาทำไมไมีขีดตัวได้เกียรติยมตลอดระวังนะคนที่เลี้ยนเก่งระวังแต่จิตตกขึ้นไม่ได้บัด น, นี้ตายแล้วตายไปแล้วนี่แหละจะต้องไปประทมนิเทศหมายลาย ไ, ไม่โดน เขาฝันไม่ใช่เลี้ยนเก่งแล้วก็จะเห็นทาตได้แล้วก็ยุกันเลยยานะเลี้ยนเก่งไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ไม่สําเร็จตามมรรคก็ไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่ใช่เลี้ยงเก่งนะี่นาเข้าเลี้ยนไปนะตกเลยตายแล้วเอามีดขีดตัวตายเนีลยเลี้ยนได้เกณฑ์ได้เอหมดเลยนะ่อเมริกาแต่ทําไมต้องตายเอามีดขีดตัวถ้าตาย เป็นสาวเนี่ยสาวใหญ่ปีนาโทเกียรติยมพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกตะพืชไม่ได้ดูกฎแห่งกรรมของลูกเลยลูกก็เออเออเหอเ อ, อ, เ อ, อขาดสติสมาธิสู ง, ส ม, ส, งสมาธิดีมากจำได้แม่แต่ขาดเฉลียวใจคือขาดสติคนเรามีความฉลาด จำไม่ันและวงติแต่ขาดความเฉลียวใจฉลาดคือวิชาการแต่ไม่มีความเฉลียวใจเฉลียวใจนี่คืออะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมสติจำไว้มีแต่ความรู้และฉลาดในหน้าที่การงานแต่ขาดสติขาดความเฉลียวใจตายแน่นอนประมาตประมาตตายแน่นอนออกมาอย่างนี้ชัดเจน ท่านชำไม่ให้ได้ละมาดนี่ล้องเธอลำย่นี่เป็นญาติกันเนี่ยขอเล่าเรื่องกรรมฐานให้ฟังเรื่องเป็นอย่างไรเมือ่อครั้งก็นโนนที่ผ่านมากรรมฐานแผ่เมตตาชัดๆอาตามาที่ฐานว่าเนี่ยท่านรันตพุริวิระทำไมเป็นยาติเราช่วยไม่ได้ ขอพูดหน่อยได้ไหมขอพูดหน่อยได้ไหมขอพูดหน่อยได้ไหมท่านตัวิลาเนี่ยไม่มีเจตนาร้ายสักไปหาเสียงดีกับเขาดีกับเขาพวกเล่นงานเลยหาหมิ่นประมาทพระราชาตัดสินติคุกเลยนี่จะร้ายสั เราก็รู้จักโยมเอกกระพศโยบุรอดเราชอบนับถือกันมากเราก็นั่งกลัมาฐานเพรีมตาจะช่วยท่านรัฐมูลตรีวิราชจะได้ไหมถ้าได้ขอให้โยนบนดานสตีบอกกันทีสตีบอกทัน ท, ท, นทนีแล้วก็ท่านวิละก็เริ่มทำสมาธิตั้งแต่นั้นตัดสินติดคุนนี่เล่าให้ฟังในที่ประชุม จะทำไมเช่าออกได้ล่อมีบุญไม่ ง, งั้นเราจะมีงานมาเองงานไม่ใหญ่มาเองมาเองใช่ไหมอาตมาก็ตา้งสติอาละังโมตีวิระมุสกภูมิมีบุญวาสนาอาตมา ขอให้จะมาได้ช่วยถ้าคนเนี่ยไม่มีกรรมฐานเนื่มีสติอธิษฐานไม่ขึ้นจำบทนี้ไว้มาสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำเอาโหสิกรรมกคกไข้แผ่ไม่ตาถ้าไม่มีบา ร, รมีอันนี้เนี่ยไม่ต้องเลยนะช่วยใครไม่ได้สวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำเอาโหสิกรรม ก่อนแล้วค่อยแผ่ไม่ตาสาโหสิกรรมกัใครไม่ได้นะแผ่ไม่ตาไม่ออกแล้วแผ่ไม่ตาไม่ออกแน่นอนสาวโหดศิกรรมแล้วไม่โทรธไม่เกลียดใครแผ่ไม่ตาได้ทันทีทันทีแต่ที่จะพูดมาเนี่ยต้องปิดเป็นความลับเหมือนกันยังไม่มีใครทราบเราเป็นเรื่องอาชีนตาย เหลือตัดสินเนี้ยเราบอกว่ามันอยากเข้ามาก็อยู่ใ น, นอะไรบุรีรัมยนะ์อยู่บุรีรัมย์อยากอยากเข้ากรุงเทพห้าตัดสินที่อยอยู่มันที่นั่นแล้วน่ยกรรมาฐานในคุกนั่งสมาธินี่แผ่ไม่ตาถึง ต, ต า, มมาก็ทำยังไงหนอลราถวาดีกาไม่ได้มิเน้าหมา ลมเดชาแต่ประการเป็นคนซื่อสาดถุจริตจริงๆหื อ, อสาดถุจจริตเป็นนิขยันประหยาดให้มานหลังให้บายแล้วเป็นคนใจซื่อมือสะอาดทำให้เฉียบขาดจริงทำทำไมไปชิดทำไมจะช่วย่า <Yeah. S 1> เราก็อธิษฐานจิตกรรมฐ า, านอธิษฐานขึ้นว่าวิระ มุกทรงถ้ามีบุญและเคยเป็นญาติมาชาติก่อนขอให้อธิษฐานขึ้นกระจายย่งเนี่ยอธิษฐานจะทำอย่างไรจะถวายฎีกาเขียนเขียนไวเ้เตรียมเขียนไว้พร้อมเขียพร้อมเนี่ยเกิดโดนบันดาลแพทย์ของพระเจ้าอยู่เวพ์ระรักษาพระองค์ อยากจะหาว่าพวันอยากจะมาไม่รู้ทำไมก็ให้ป้าวิเชียนพาแพร่ชวนพระองค์เลยไม่รู้เป็นไงคิดถึงหลวพ่อวันมากทายาธยาด ก, กันจะเกิดคิดถึงให้เกิดช่วยเหลือกันถ้าคนเราจะเป็นพระเอกนางเอกมีโมงสามตัวช่วยได้เป็นพระเอกได้โมงดำ มงขาวโมงแดงโมงดำวิญญาณช่วยโมงขาวบุญกุศลที่เราทำช่วยมงแดงเชื้อชาติช่วนใช้ประหลาดสวมหน้ามาโมงเอาตัวไปช่วยแบบนี้โดยไม่เห็นตัวทุกคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะไม่เข้าใจมาจนตีสองฝนตกรถก็เสียรถเบน แต่ต้องมาให้ได้คืนนี้ทำไมมาจะตายแปลกไหมแปลกไหมเคยเล่าให้ทานฟังก็ับอาาอันนี้เปิดเผยหน่อยอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าว่าเลยนะเรื่องจริงนะ <c oughs> มาตรีสอง <c oughs> ทูลร่างในเรื่องส่วนครอบครัวเสร็จแล้วตมาก็พูด บอกคุณหมอฝากหนังสือถาวายพระเจ้าอยู่เลยไหมได้เลยสามโมงเช้าหนังสือกฎแห่งกรรมบอกว่าขอจเจริญพรในหลวงจะอ่านไหมอ่านหมดแน่นอนเอาตะลุมมุกไปด้วยไม่ต่อเอาตะลุมผมเลยนั่นแไม่ต้องเสียตะลุมเหล่า พอ่อญาติชารู้จักเรียกญาติชายไหมเนีรู้จักยาติชายไหมมาจะกราบบุไปตั้งแต่ต้นจนอวสานเสกแล้วเมตตันจะสัพเพิ่งจะมิงมาสัมภาเยปริมาณนางเมตตาคุณนางหลังเมตตาเมตตาคุณนางหลังเมตตาเท่านี้แต่ขอให้เรามีจิตเมตตา โดยสำนึกสมัญญาของพระมหากรุวันทิคุณของพระองค์ท่านมีต่อประสบมีกรละสลดทั้งหลายโลดได้เมตตาธรรมว่าท่านรัตนวิริะมีบุญวิสนาะโลดได้อันนี้เมตตาถิ่เยอะ หมอจะต้องไปตรวจในหลวงวันพุธสามมุงชาต้องตรวจอันนี้อย่าไปเล่าคนอื่นไม่ได้นะปิดเป็นความลับมากสุดเดี๋ยวเรื่องจะกระจายข่าวไปคนเจ็บไปวัดความดันตามเลขศีร้อยสร็จแล้วก็นั่งซือถ้วย บอกหลวงพ่อวันพวันทูลถาวายหนังสือเปิดเลยอ่านเลยนั่งเข่าอีอ่านทุกเล่มเปิดเล่มนั้นเลยมันมีแร่ดึงดูดเปิดเล่มนั้นเลยอ่านจบหมอไม่รู้ว่าหนังสืออะไรไม่รู้ รู้ไม่ได้ปกปิดญาติญาหมอคนนี้ยอย่าเอาอชื่อเราก็ช่วยเขาได้เรื่องครอบครัวของเขาเราช่ว ย, ยาเรมดแล้วเขามาอีกบอกเราพ่อครับนังเสื้ที่ไปทูลถวายอ่านหมดทุกเรศแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีอะไร พอสิห้าวันได้ออกเลยเนี่ยมันทําให้ชิงลงฉับกลับลงแปะถ้าเราไม่มีบุญ ร, ร่วมกันเป็นคราอุกตเคราะห์ไม่มีการช่วยกันได้อธิษฐานขึ้นถ้าเราไม่มีบุญ ร, ร่วมกันอธิษฐานไม่ขึ้นร่อมกับท่านวิระมีบุญวาชนาด้วยแต่เราจะไปช่วยใครเขาจะก็ไม่มีบุญวาชนาะเหมือนหม้อมัตเตอรี่ เก็บไฟไม่อยู่เพื่อไม่ได้ก็ขอฝากเขาด้วยไม่มีอะไรเท่าดีเท่ากรรมฐานกรรมฐานดีมากแล้วไม่อดีจะพ่อเนี่ยคุณพ่อของเขาเนี่ยยีงลูกจะได้ดีด้วยลูกของมนมณฑปวิระต้องได้ดีจะดีกับพ่อด้วย เอาความลับมาเปิดแต่คงจะเปิดจะพะกรรมฐานานั่นจะไม่คุยชื่อไม่น่าเชื่อใช่ร้อนใจยอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นมาก็ตามดับทางนักแต่สุวังก็มาที่ดี หมอในแพทย์ก็ไปถวายในงานให้สลวงชา่าได้มาที่วัดและได้ช่วยครอบครัวของแพทย์แพทย์ก็ทูนถวายและฝากหนังสือมาถวายอันนี้เป็นในงานติดต่อครับ ขอฝากพวกกรมาากรมฐ า, านกรรมฐานอธิฐานขึ้นถ้ายัางอื่นอธิฐานไม่ขึ้นกรรมฐ า, านเนี่ยทำให้เราประทันดูตัวเวทียังไม่ถึง เ, เหตุการณ์ถวนาพักคุณไนะด้ชัดเจนเราต้องช่วยกันเต็มที่เรื่องเราไม่เป็นความจริงท่า น, นเห็นใจเลย อันนี้ไม่เคยไลใ่ใครฟังวันนี้ก็เปิดเผยนิดหน่อยแต่เรื่องที่จะเปิดอีกมากมันเยอะไม่เปิดเปิดเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะหน่วยกิจที่จะเป็นไปได้ที่จะสามารถจะชูดยไปได้เพราะนี้นกรรมฐานเนี่ยสามารถแผ่เมตตาได้อย่างโลกเป็นตัวอย่าง เราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ครับนั่งเลี้ยงกรรมฐานนะลูกมีสักห้าคนสามคนแล้วก็แผ่ไม่ตาให้ลูกได้ผลแ น, น่ๆพ่อแม่ช่วยลูกได้ลูกช่วยพ่อแม่ได้เรมีตัวอย่างที่นี่ลูกช่วยไหนไหมทาให้พ่อแม่เลื่อนตําแหน่งแห่งที่ไปสูงๆได้อันนี้จะไม่ขอลาบ พ่อแม่ช่วยลูกเป็นคนดีไนดะ้เนื่องกรรมาฐานแผ่เมตตาไม่ต้องไปดุไปดา่าเลยไม่ต้องไปดุไปดา่าไปว่าชัดเจนมากสามมา เ, เห็นใจท่านรัฐมูลตีนท่านสิเกวลินสลิตเป็นอาธิบดีกรมที่ดีตอนนั้นเป็นรองอาธิบดี พวกพนักงานพวกเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์หน้าห้องมานั่งกรรมฐานแยกกลัาไปทำงานสายเราไปทำงานสายที่กรมที่ดินอสิริเกรวิลิศริษท่านก็บอกเอ๊ะทำไมมาทำงานสายอ่ะมาต้นสี่โมงห้าโมงดิฉันไปนั่งกรรมฐานที่ไหนวัดภูวันเชิมบุรีเอ๊ะ ทำไมไปบอยหลกันห้าคนหกคนเนี่ยไปบอยมากวัดอภารอยู่ตรงไหนแลก็บอกคนทางเลยจะโยงอ่างทองขึ้น่ะวันนั่นเสาร์อาทิตย์ทานขับรถมาเลยขับรถมาเองเลยตอนนั้นเป็นล้อทิศบินขับรถมาก็นั่งคุย บอกว่าท่านครับผมไปลองทิบ ด, ด, ดกีกลมทิดินมาสืบสอบถามโกงๆนะผมก็โทษโกงๆมีชื่อนี้ชื่อนี้มามนวัด้ไพ อ, อบอกมีขอพบเขาไปเรียกมาห้าคนอมทิ่ดินก็สวัสดีมาีนบอกหลวพ่อครับเจ้านายมาแล้วก็บอกท่านมาไง ก็เล่าเหตุการณ์ฟังว่านึกว่าโกหกมนันนางกรรมฐานนึกว่ามาไม่เจอเนียโดนแล้วเขาเนี้ยโดนเอาแน่นอนแต่ป็คนตรงเลยแล้วนางกรรมฐานได้ไรเห ร, หรอดได้ไรเห ร, หรอท่านก็ม่สนใจกับเราแล้วบอกกับท่าน มานั่งเขาก็ต้องได้เขาได้ถึงยินได้แลยทั้งหลายก็ว่าทานไปนั่งบางทีทานไปนั่งมนาง น, งม น, นั่งยังไงลองดู ก, ก่อนตัวจพังเมื่อกาก่อนแล้วก็ลงนั่งพ่องเนาะยุกหนอก็บอกส่งเด็ดโดยไม่ศรัทธาบอกไปใคจะทําเปล่าเลยจะไปรู้ยัยไม่สนใจถ้าท่านทํำนะปีหน้าขันเป็นที่บุรีเนี่ย เ่บันที่บดีกรมที่ดิแหมขอประานโทษครับผมไม่ได้เป็นไม่มีเส้นผมเนี่ยชีวิตครูโรงเรียนปากพนังปัญญาแกกว่าปัญญาก็เป็นครูแล้วซา ล, ลาวจะครูมาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็มาทำงานกรุงเทพแต่ขืนเป็นครูก็อยู่แค่ครูเราประวัติให้ฟังอยู่ปากพนังอนนีาจากดีอยู่ปากพนัง ที่นี้ก็บอกท่านครับผมยังไม่เคยบวชแต่ผมไปอธิบดีผมจะบวชที่นี่เน่ยพอไปนั่งกรรมาฐานครับแต่ก็ลองนะลองทำถ้ามีนิสยัยพอนั่งปั๊บท่านก็เกิดจิตใจเป็นกุศลสวดทา ม, มาตมาังกรพอดีอธิบดีเขาว่างพอดีอธิบดีว่า ว่างเขาก็ส่งชื่อเข้าไปแต่ชื่อสิริไม่มีไม่มีชื่อที่จะไปอาชีดีการเมืองเอาคนโน้นเอาคนนี้เข้าหมดแต่ชื่อคนนี้ไม่มีที่เป็นรองที่บดีไม่มีชื่อไม่มีชื่อเลยท่านรองที่บดีก็บอกที่หลวงพ่อไว้วางผู้ว่าจะได้เป็นคงไม่ได้เป็นมันก็แปลกอยู่นะ เขาก็ประชุมตัดสินประธานใครก็ไม่ทราบประธานที่ตัดสินบอกว่ารองธิบปรืมีชื่อไหมคือคุณสลิดเกวิริลสลิดไม่มีแปามาแปลมาดูที่ก็ต้องเรื่อนไปพรุ่งนี้ไปเอาอธิบดีรองที่บดีมาก็มาอ่านใช่โดยว่าไม่มีพวกเลยได้เลย นอกนั้นตกหมดผลงานสู้เกิไม่ได้ก็ได้แป็นอาธิบดีขึ้นพอได้เป็นอธิบดีปั๊บอาธิบดีก ร, รกมที่ดีได้สิบวันสิบห้าขอบวชที่นี่บวชที่นี่เลยนะบอกว่าท่านครับผมขอเอาแค่สิบห้าวันเลยเพราะเป็นปอาธิบดีใหม่ๆเยวะเขาจะว่าไม่เคยบวชเนี่ยนะอายุเพิ่มครบ อยุผมครบบวชที่นี่เดนวิเชียนเป็นลูกน้องท่านมาบวชมามาติดตามมาทาไปทํามาย้ายไปเป็นเดนวิเชียน เ, นยเป็นผู้การจัองหวัดอุทยัยบัตรนี้เป็นที่บรีกรมที่ดินแทนเห็นไหมเนี่ยเี่ยคนที่มาที่นี่เป็นที่บรีแทงพอเป็นที่ปรืเสร็จแล้วเอาพวกกรมที่ดินมาอบรม มาล้มที่นี่สางทั่วประเทศเลยมาเอาล้มวัดอภวันท่านบอกท่านใดผลมาอย่างนี้แต่เราไม่ใหญ่นางกรรมาาาฐานนี่สวดประมการเราคงไม่ได้เป็นอาชีพ ด, ดีแน่ไม่จะเป็นต้องไม่มีเส้นสายเขาเอาคนอื่นหมดการเมือเอาคนอื่นหมดแต่ที่นี่ประกฐานจะเป็นประหลัดจะ่วงเรืออะไรเราไม่ทราบให้ไปเอาประวัติมาถึงจะได้ได เลยพอดีนะกรมที่เด่นอยู่เต็มเนี่ยเต็มผู้ชามาบวชที่นี่มาชาติก่อนคงไม่ยากก็ยังตอนนี้ฉันออกไปก็ไปไปเป็นผู้จัดการสร้างพระราชวังเนี่ยอาตมาออกไปให้แสนเนี่ยที่นครทิศธรรมราศีปากพนังด้วยนะทุ่งเน่ยนครทิศธรรมราศให้ไปแสน สร้างวางให้ในหลวงเลยก็กรมที่ดินมาอบรมหลายหลายรายการแต่นายวิเชียนมาเป็นยังเป็นหูหน้าเล็กๆน้อยมาเป็นที่ผู้บริการจังหวัดอุทัยยาจากอุทัยเป็นอาชีพดีเลยกรมที่ดินเลยเหงอยู่มั้ยนวิเชียนแล้วตอนที่ กรมที่ดินมันอยู่ที่ห้าวันเจ็ดวันพอดีที่พอดี อ, อดีตรัฐมนตรีเนี่ยพูดถ้วยมหาไทยท่างจากมาสิงบุรีก็ไว้เข้ามาเนี่ยมหาตามานเนี่ยตำรวจก็เลยไปหาที่รัฐมนตรีไม่เจอเลยให้มาพูดทันทีผู้กรมที่ดินเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านปกครองที่ดินด้วย รวมที่ดินสายสะพานจกันแล้วก็มาให้โอวาทขยีการกลมที่ดินระดับผู้น้อยผู้ใหญ่ชั่วคราวแล้วกระสันก็นเดินทางไปเชงกูรีดูมาไม่ชา้าอธิบดีเนี่ยหมดอายุสี่ปีกองยายนี่ช่วยไว้เนี่ยเนี่ยช่วยให้อยู่อีสี่ปีใช่ไหมลนะ่ะ นี่เวลามูสุกะโปรงให้ช่วยเพราะดูแลดูแลกรมที่ดินด้วยนี่แหละสายพันธุ์ติดเชื้อมาอย่างนี้นเราจะทิ้งกันได้เหรอต้องช่วยกันตลอดไปมาท่านไปรัฐมนตรีเนี่ยท่านช่วยอาชีพดีไว้ให้อยู่เป็นแปดปีใช่ไหมแปดปีแล้วย้ายมาปเป็นอาชีพดีกรมแรงงานกระทรวงมาธานเนีย่ยขอฝาก ผู้ปฏิบัติทุกาด้ว ย, วยเนื่องจากเรามีสายธนพันธ์เป็นญาติกันบางทีเนี่ยช่วยกันได้เป็นครบหรอกอาธิบดีที่มาบวชวันนี้ท่านก็ไม่รู้จักเลยมาพ่อลูกน้องพามาท่านตามมาดาูมาเที่ยวกันยังไงกลับไปสี่โมงห้ามงมาใชา้มาเห็นดีด้วยเลยก็ลองไปทำโอ้กรรมฐ า, านดีทําให้ท่านได้เป็นอธิบดีขึ้น แล้วทให้เอากรมที่ดินเนี่ยท่นานบับวเนี่เอากรมที่ดินมาอุบรมนี่หมดเมื่อสมัยนั้นเลยท่านหมดสมัยอธิบดีเข้าหลักในรัฐมนตรีช่วยไม่ห้ย้ายให้อธิบดีสลิเกวินสดิดอยู่กรมที่ดินอีกสี่ปีทิงกันได้หรอเนี่ยทิ้งกันไม่ได้ ยังมีอีกก็จะดึกแล้วเนี่ยจะมีอีกหลายเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยการกำหนดเอาปัจจุบันถ้าอดีตต้องรู้กำหนดรู้หนอกำรู้หนอถ้ามันปวดเนี่ยนะกำหนดปวดหนอปวดหนอมันก็ปวดนะถ้าเป็นกฎแห่งกรรมนะมันจะรู้เลย ้ามันปวดหนักโดยที่เราศึกษาเนี่ยอันนี้จังทุกขังนาตาคือพระใจรักจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปวดแล้วมันจะหายไปอย่างเช่นจีนบาเลเนี่ยงอไม่ได้เหยียดไม่ได้ปวดมัเจ็ดปีปวดมากรักษาไม่หายตายเวทนาจิตธรรมบดได้บนหนึ่งก็ได้ เป็นฝรั่งหรือเป็นลายเป็นคนที่พิการนั่งไม่ได้ให้หนักวิชาทําได้ถัพพิการอีกเป็นอัมพาตนอนทําได้นอนทําได้ด้วยของหนอยูบหนอทําได้ไหมได้ให้ทําก็สําเร็จมากคนมิจฉาแต่และ ว, วงจรตั้งสี่ก็ง่ายขึ้นแต่บางคนแค่ปวดน้อเนี่ยพวกบาเลีเนี่ยหายเลยมิจมาเลย ไปควางขาหมูแล้วก็นอนกินแล้วก็จับฆ่าขายไปเลยตัวเองก็เป็นขาโอดมากเลยหายะงอได้เลยได้แค่นี้เองแล้วยังอื่นได้หมดพอขางงอได้แล้วแล้วมาพองหน่อ ย, อยุหนอก็ง่ายดังง่ายขึ้นพราะฉะนั้นบอกพวกคณะเราว่าทำอย่างใด้ยังหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าหากว่าใครมาเข้าปฏิบัติฟุ้งช่านมากแต่ไม่กเกี่ยวกับโรคประชาหรือเครียดปวดโนอนปวดนี่อยากจะกลับบ้านเอาไว้ก่อนยังหลอห้อมให้มีสตาได้ปลูกสดท้า้ขึ้นรับรองได้ผลภายในสามวันให้เขาตั้งสติไว้ให้เขาเอาสติไปตามไปดูว่ามันปวดตรงไหนมันคิดตรงไหนมันฟุ้งช่านตรงไหนแต่ทาตรงนี้ได้นะยังอื่นได้หมด เดาพองหนอยุบหนอเนี่ยถามเว่าพองมีกิริย์ยุบมีกิริย์อันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ต้องสอบอารมณ์อย่างนั้นพองมีกิริย์ยุบมีกิริย์ถ้าคนทําไม่ได้จะตอบไม่ได้เลยเราจะได้รู้ว่าเขาทําไม่ได้ตอบไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวถามว่าไอเสียงก็หูเป็นอันเดียวกันไหมขวาย่างหนอก็ซ้ายย่างหนอเป็นอันเดียวกันนี้ไม่เป็นถ้าเราถ้าทําได้นะจะรู้เลยมันดับตรงไหนขวาย่างหนอคาชันคาชาซ้ า, ททะทะายย่างหนอก็รู้ว่าจิตมันดับดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรจะเห็นชัดเลยถ้ามีสมาธิมีสติดีก็ด้วยรู้มันดับตรงไหน หวานยาหนอ่อใช่เกิดใหม่เนี่ยจะเห็นชัดเลยถ้าเราขาสติจะไม่รู้เลยเนี่ยเดินเรื่อยเลยเนี่ยจะไม่รู้อะไรมันดับเวลาโกรธหนอโกรธหน่อมันก็มีเกิดดับเกิดโกรธ ด, ดับโกรธซะเพราะดับโกรธได้เกิดดีไหมไง่เกิดหา โกรธนอโกรธหนาะ ห, หายใจยาวๆโกรธตัวนี้มันดับแล้วว่าโกรธหนาไม่โกรธอีกดับจะรู้ไปโกรธทำไมมันเป็นทิฏฐิภัยต่อเราเรื่อยเนี่ยมันจะเกิดดับอย่างถ้าเรามีสติพอเนะี่ยมันจะดับโกรธได้ชัดเจนมาก ถ้าเราขาสติมันจะดับไม่ได้มันจะโกรธหนักโกรธนอโกรธหนักบางทีเราว่าจะยกสามีให้เขาสามีไปชอบกั น, น, นวัฒนาเราบอกว่าตรงตกเลยเขาลักกันโมทนาสาธุ ก, การด้วยนะกำหนดไปกาหนดไปจิต ดับไม่ลงโอกไม่หายควรจะบอกว่าสามีฉันกับวาชนะขออยู่เย็นไปสุกกันกลับจิตถอยหลังมากลับไปแคบแน่นอกพกอยู่ในใจเลยบอกสามีฉันกับวัฒนาขอให้มันชิพายทิพายไปแช่งไปเลยจิตดับไม่ลงมันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าดับลงเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ตรงนี้ ชัดเจนมากถ้าพ้องหนอลูกหนอไม่ชัดทําไงก็มองไม่เห็นทําไงก็มองไม่เห็นลู่หนอก็ไม่ได้ทำไงไม่ได้วิธีแก้ทำไงแกยังไงนะลุกไปเดินจงกรมใหม่ต้องเดินจงกรมใหม่ ถ้าเดินจงกรมมีสติสัมมาชน a ดีเนี่ยองยุบจะเห็นชัดขึ้นถ้าไม่แก้เรื่องการไปเดินจงกรมมันก็ไม่เห็นเนี่ยกพองหน่อยุบน้อยพองยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหน่อพองขึ้นไปอีกก็หายใจให้ยาวก่อนที่จะพองหนอยุบน้อย่ยเราจะไปสอนเด็กเนี่ยหายใจยาวๆก่อนจะยาวๆยาวไว้หนึ่ง สองหนึ่งสองถ้าจยาวใ้จยาวได้แล้วเข้าไปพองยุกมันงั้นทำได้ยากตรงนี้สำคัญมากไหนน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันน้ำมันเอาไปให้ท่านเอาไปทาเอาไปน้ำมันมน เนี่ยมันปวดเนี่ยมันปวดให้เรามีอุปาทานยึดถ้าเราไม่ยึดเนี่ยมันเกิดดับแยกลูกแยกน้มได้มันจะไม่ปวด